ก็ไม่ระวังพวกเราไม่ระวังความผิดจริงๆผู้ค้นจากความผิดไปแล้วเขามไม่ระวังผู้เบื่อนายความผิดพอแล้วก็ไม่ต้องระวังความผิดอีกโรคถ้าเราไม่เห็นโทษในโรคเราก็ละไม่ได้เพราะมันอร่อยอยู่และเมื่อเราไม่เห็นโทษในโกรธเราก็ละโกรธไม่ได้ถ้าเห็นโทษเต็มภูมิมันก็ละได้มันไม่เข้าไปใกล้เขาเรียกว่าละได้ มันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดมันไม่เสียดายอยากโลบอยากโกหกอากหลงก็เรียกว่ามันละได้ถ้ามันเสียดายอยากโลบอยากโกหกจะหลงอยู่ก็แปลว่ามันยังอร่อยพอสมควรจะจิบอยู่มันก็จะไปจิบไปกินของมันนั่นถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์มันก็ทิ้งเลยเช่นน้ำลายอย่างนี้เราไม่เห็นว่ามันมันไม่มีประโยชน์เราบื่อทิ้งแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าจะเอาคืนมาอีกเราไม่เห็นเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ เช่นอุจจาระมเหมือนกันแล้วถ่ายออกไปแล้วไม่สงสัยว่าจะคืนเอามาใส่ในท้องเองนั่นปัสสาวะก็เหมือนกันนั่นเหงือกใครก็เหมือนกันนั่นข้าวว่ารบกวนหลงมันไม่มีประโยชน์กันละโรบลักกวนละหลงมันก็ไม่มยากเพราะมันเห็นว่าเป็นประโยชน์โยนมันก็ละยากสิพูดเอาแบบนี้นเอาที่ง่ายๆเนี่ย เลขขาบัตรเดอรก็เหมืกันถ้ามันเห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่มันก็เล่นไม่ได้ถ้ามันไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันจะหมายถึงจิ้งดิ่งลงไปแล้วเอามาดึงแขนมันมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไปนั่นมันก็ไม่ระวังยากนะเช่นถาดไฟแดงโล่เนี่ยเราเห็นชัดว่ามันเป็นของร้อนแล้วไม่ได้ขบรถคืนว่ามันเป็นของเย็นสพี่เราก็ไม่เสียดายจะไปจับมันนั่น เราก็ไม่ระวางยากจะไปจับมันแล้วลงเื่อนผมบ้างบางทีผมจะเวิ่งประจับไฟมันก็ไม่ได้บอกไว้เนยพอคําว่าไฟมันก็รู้ว่ารู้ต่กว่าเป็นของร้อนนล้วคำว่าลมมันก็รู้จักว่าเป็นของพัดไปมาแล้วคําว่าน้ามันก็รู้จักว่ามันซึมราบแล้วคําว่าดินก็รู้จักว่ามันเป็นของแข็งแล้วตทีนี้มันไม่สงสัยในธาตุใครมันเป็นธาตุร้อน กิเลสก็ไฟกิเลสยังรอดกว่าไฟอีกนี่ถ้ากิเลสยังรอดกว่าไฟนี่โรคปวดหลงยังรอดกว่าไฟนี่เราจะกลัวไฟนอกมากกว่าไฟกิเลสที่นี้สมควรแล้วหรือทอีนี่นี่ข้อหนึ่งนี่ถ้าว่ารู้ว่าไฟกิเลสรอดกว่าไฟธรรมดาอย่างนี้เราจะไปกลัวแต่ไฟธรรมดาจะถูกไหมล่ะทีนี้นั่น ข้อนี้เป็นหน้าที่จะถามเราเราเกิดมานี่เราพบสุขอะไรบ้างหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรสี่อะไรเอา้าพบสุขสุจใจแล้วหรื อ, อยังเจอแล้วหรื อ, อยังเจอะแล้วหรื อ, อยังตะแล้วหรื อ, อยังเห็นแล้วหรื อ, อยังสิ่งที่มันจุใจไม่มีเลยไม่มีสิ่งที่กุใจเลย เหตุไฉนี้นมันจึงไม่จุใจพระมันไม่อยู่สมประสงค์ของท่านผู้ใดเหิวเราต้องการหงื่อไหมเราก็ไม่ต้องการเราก็ไม่จุใจชกผกในร่างกายเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบนี่มันไม่มีสิ่งที่จุใจเราแก่เราชอบไหม่ชอบเราชอบหนุมอยู่แต่ว่าหนุ่มของเรานี่ย เวลานูมอยู่อุจจระออกเหม็นไหมนะหรือหอมนะัก็ไม่จุใจเราอีกระของอยู่ในสกนลกายก็ยังไม่ถูกกันกินเหม็นพุ่งใส่จมูกก็ไม่ถูกกันเองกินหอมพุ่งใส่จมูกก็เยี่ยมนะของอยู่ด้วยกันไม่ถูกกันแย่งกัน เราทานอาหารลองอไปเราให้คะแนนว่ า, อ, าอร่อยใช่ไหมน้ำเข้ามาทางน้าอันนั้นก็ อ, อร่อยดีเดี๋ยวพอออกมาทางเหงอือใช่ไหมออกมาทางน้ำลายออกมาทางปัสสาวะใช่ไหมก็าังเกียจแช่แล้วนี้นั่นสิ่งที่เราชอบกับเจ้าของรังเกียจเลยอาหารอร่อยแท้อร่อยแท้ เม่รสชาติดีนักแต่พอยี่สี่ชั่วโมงก็ถ่ายออกมาเชื้อแล้วไม่ให้คะแนนกันละทีเปลี่ยนชื่อใหม่ทีนี้อุจจาระนาเกียร์เยเกินสิ่งที่เราชอบ1ิบสองชั่วโมงถ้าละแล้วก็มานาเกียร์ทีนี้ พรามันเป็นจริงเลยนั้นจึงรังเกียจเมื่อลังเกียจก็เรียกว่าไม่สมประสงค์ใช่ไหมนั่งนั่งนานก็เหนื่อยก็ไม่สมประสงค์พูดมากก็เหนื่อยไม่สมประสงค์นึกคิดมากก็เหนื่อยไม่สมประสงค์เหตุเชนนั้นพระพุทธศาสนาจึงยืนยันว่าตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตน จมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนกลิ่นไม่ใช่ตัวตนรสไม่ใช่ตัวตนโทดธัพะไม่ใช่ตัวตนธรรมารมไม่ใช่ตัวตนปฏิเสธกันไปหมดเลยที่ซึ่สมมติว่าตนเราตัวเราถูกลบล่ะที่แค่เขาเขียนอะ คนนั้นคนนี้อันนั้นอันนี้ถูกตรุษเลยไงเหมือนเราถูกรับอาหารเราทบเราเราลบอุจจาระมาเป็นอาหารอันนี้เราเราลบอาหารมาเป็นอุจจาระอุจจาระขี้มันมาจากไหนขี้ขี้มันก็มาจากกินตายมันมาจากเกิด น, นั่นถ้าไม่ไม่เกิดก็ไม่ไม่ตายเป็นเช่นั้นจริงว่า ชาติเปทุกข์ขามอันนี้ก็เป็นทุกเพียง<ม>เลยเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกายจะตัโล ก, กบาลทั้งสี่หรือมรดโลกเทวโลกพรทโลกมันเป็นสุขท่านก็ไม่ได้ยืนยันไว้ในคำพอะไร ย, ยืนยันแต่เพียงว่าสังขาราปรมาทุกขา สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งันตัดขาดเลยยืนยันคํานี้ที่ยืนยันว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นพรหมนั่นไม่ได้ยืนยันพูดตามท้านะเฉยเฉยผลชุดท้ายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติตกอู่ใต้อํานาจอเนจังเสียแล้วไม่กีรั ง, ย, งยั่งยืนสิ่งไหนที่ไม่ที่ยงอยู่ในอํานาจอเนจังสิ่งนั่นก็เป็นทุก นั่นนั่นนั่นถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นสวรรค์สิก็ด้านปัญญาเขาเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ด้านฌานปัญญายปัปิสุทดฉชติปัญญาโลกรสมิ ป, ปัตโชตูแสงสว่างเสมอรวยปัญญานีแสงสว่างพิเกนาถึงแล้วเมื่อเห็นอันนีจ้จางชัดก็เห็นตโรโลกธาตุชัดหมดแล้วสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ก็ตร่วงกระทาตมันเป็นทุกหมดนั่นถ้าตารา่วงกระทาตเป็นสุขเท่ า, มาเม็ดงาพระทหารก็ไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีประตูที่จะเบื่อน่ายก็ต้องวิญญาณไปที่ต้นที่ก็ต้องไปแย่งเป็นเ ป, นปรตเท่าอยู่ที่นั่นเท่าเม็งาอันนี้มันไม่มีความสุขเท่าเม็ดงาเลยเฉะ น, นั้นพระทหารจึงยอมข้ามความหลงของตนไปเสียข้ามโลกก็คือข้ามความหลงทั้งปวงของตนนั่นเองไป ข้ามในปัจจุบันนั่นเองที่กำลังเห็นอยู่นันได้เป้าปัจจุบันเป้าอะไรก็ตามมันมารวมที่ปัจจุบันนั่นเองถ้าข้ามโลกปัจจุบันน ล, ล้วโลกอดีตโลกอนาคตมันก็ข้ามทั้งหมดข้ามความหลงโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันแล้วความหลงในอดีตอนาคตมันก็ข้ามไปในตัวพระสติพระปัญญาเป็นผู้ข้ามไม่ใช่ก้าวข้าม ขาฉีกตายไม่ให้ข้ามด้วยเครื่องบินภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนก็ตามไม่ตลอดรุ่งไม่ตลอดคืนก็ตามก็ภาวนาเพื่อจะเบื่อนายความหลงของตนทังนั้นศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้นในปัจจุบัน ศีลตัดศีลลงในลมหายใจเข้าหายใจออกสมาธิตั้งมัน่นในลมหายใจเข้าหายใจออกปัญญารอบรู้ในลมหายใจเข้าหาใจออกแปดหมื่เชื่อพระธรรมขันมารวมอยู่ที่นั่นหมดลมก็คือกายกายก็คือลมลมก็คือเวทนาเวทนาก็คือลมอืตัวหานหานลงมาที่นั่น จะขยายออกก็ขยายออกจากหนึ่งจะหารก็หานลงมาหาหนึ่งหรือลักหน่วยลักสิบรักร้อยนะเห็นทุกในปัจจุบันครับทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยเห็นความเกิดในปัจจุบันเป็นทุกความเกิดในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นธาตุดินอยู่ในประเทศไทยไม่จําเป็นจะสงสัยว่าธาตุดินประเทศอื่นจะเป็นอย่างอื่น ก็คือธาตุดินเป็นลักษณะของแข็งเหมือนกันนั่งน้ำไฟลมก็อันเดียวกันมีลักษณะซงทราบดินมีลักษณะเป็นของแข็งไฟมีลักษณะร้อนลมมีลักษณะพัดไปมาก็มีลักษณะเดียวกันไม่มีลูกไม้อันอื่นสังขารก็มีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแลกแป่ปวนแลกแปรกายตอนนั้นของหยาบก็เกิดขึ้นตามอยาง ของละเอียดก็เกิดขึ้นตามละเอียดแปรปวนตามละเอียดแปรปวนตามยาดดับตามละเอียดดับตามยาดแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็แปรแล้วก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็แปรแล้วก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็แปรแล้วก็ดับหารอบไม่ได้หาระหว่างไม่ได้ฝ่ายทําอันไม่เกิดไม่ดับก็หารอบไม่ได้หาระหว่างไม่ได้ก็เป็นจริงอยู่ขับใครเข้ามันไฟเกิดทํำไฟเกิดไฟดับ ทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับไม่ได้มาเป็นสงครามกันไม่ได้มาไต่สวนกันหน้าที่ของใครเขามันก็อยู่อย่างนี้จริงอยู่ไม่ได้มาสังสรรกันไม่ได <Columbus> ้มาคุย <portraits> กันม like ิหน้าที่ของใครเขามันก็เก้าอี้ของใครเขามันอยู่อย่างนั้นเก้าอี้ใช่ไม่เกิดไม่ดับก็ทรงอยู่นั่นเก้าอี้ที่เกิดที่ดับก็ทรงอยู่อย่างนั้นสมมุติเนี่ยสมมุติเป็นบุคคลาธิการเนี่ยเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องของบุงคคลผู้ท่องเที่ยวในวัดตาสองศาลไม่เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่พ้นไปแล้วผู้ที่เข้าสู่อนุปารถเสสานิพานแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ที่มาหลงอยู่ในวัดตาสองศาลมัตต์แล้วความหมุนเวียนก็หลงอยู่ที่ใจไม่ได้หลงที่อื่นถ้าไม่หลงใจอันอื่นก็ไม่หลงถ้าไม่หลงมาใจเป็นตนตนเป็นใจอันอื่นก็ไม่หลง ถ้าหลงว่าใจเป็นตนตนเป็นใจก็หลงอยู่ตะพืชใจเป็นตะสักว่าใจไม่ใช่สัก์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานาาุปัฏฐาพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า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 การนาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บงังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทมรรนีรร้ก็สักว่าทมรรไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมมานุอปัฒนาเท่า น, นั้นเพื่อทำลายอุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขา ว่าเราเป็นกายกายเป็นเราว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราว่าเราเป็นจิตจิตเป็นเราว่าเราเป็นธรรมธรรมเป็นเราว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเราว่าเราเวทนาเวเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นเราว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นเราว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นเราว่าเราเป็นศูนย์ูนย์เป็นเราว่าเราเป็นพระ涅槃พระานเป็นเราสารพัด เหตฉะนั้นพระบรมศาสตร์เรพวกเราเขียนมามากแล้วจึงพาลบที่นี่ถอนตะปูขึ้นทางเก่าที่มันตีลงไปถ้าถอนทะลุมันไม่ไปน็อต ก, ก็เหมือนกันต้องถอนคืนลิ่มก็เหมือนกันลิ่มที่เขาตีสลักก็ต้องถอนคืนไม้ถอนทะลุไม่ได้เราหลงไปเท่าไรก็ต้องถอนคืนเท่านั้น ก็ยิ่งไปก็ยิ่งหลงอะไนี่ถอนคืนเรียกว่าจจคูปจินสโคถอนความหลงคืนเมื่อรู้เท่าแล้วมันถอนเองความเกิดความดับเหมือนกันไม่ใช่เราไปแต่งให้มันเกิดมรรดับมันเกิดมรนดับอยู่ก่อนแล้วเรารู้ตามเป็นจริงซักนั่นความเปื่อยความเน่าก็ไม่ใช่เราจะไปแต่งมันมันเป็นอยู่ก่อนแล้ ว, ลวให้เรารู้ตามเป็นจริงซักนั่นรู้ตามเป็นจริงเพื่อแก้ตัวเรามาให้ ไม่ให้หลงแก้ตัวผู้หลงให้เป็นผู้ฉลาดนอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะมาแก้โง่เลยโง่ก็คือหลงนั่นเองหลงก็คือโง่เองถ้าแก้โง่ตัวเดียวแก้หลงตัวเดียวให้มันเสร็จปดแล้วลากับโทรศะมันก็าหายไปเองมันถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลคถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธนะ มันโลภทําไมมันโกรธทาไมก็มันเพราะมันหลงในชั้นชั้นชั้นดาบชั้นละเอียดด้วยสิ่งไหนที่ไม่ได้ไม่ได้สมประสงค์มันมันเข้าใจเป็นของมันมันก็โกรธที่จะว่ายังไงสิสิ่งไหนที่มันเป็นที่สบายมันก็ติดอยู่เพราะมันยึดมั่นว่ามันเป็นของมันเนี่ยเมื่อเราก็มีเขาก็มีเหอของกูก็มีของมึงก็มีเพทะเลาะกันในโลกอันนี้เพระนั้ท่านจงพิจารณาเป็นธาตุมด แก้ความหลงของตนหนีจากความหลงของตนข้ามโลกก็คือข้ามจากความหลงของตนนายตาซะนายหูซะนายเล่นซะนายคายซักนายใจซะใจก็สอนให้หนายเหมือนกันยืนยันว่าใจเป็นตนตนเปนใจมันก็ผิดอีกเหมือนกันใครมาต้องใจมันก็มีมานะาทิฏฐิอีกเหมือนกันนั่นรามระาพัชชา สูทั้งหลายสูไม่ทำใจเหมือนดินก็ไม่พ้นไปได้ไม่ทำใจเหมือนน้ำก็ไม่พ้นไปได้ไม่ทำใจเหมือนไฟก็พ้นไปไม่ได้ไม่ทำใจเหมือนลมก็พ้นไปไม่ได้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นดินเขาไปขุดมันมันก็ไม่ผูกเวนผูกไาย เขาเอาไฟไปเผามันมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยเขาไปขี่ใส่มันมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยเขาไปทำอะไรอะไรให้มันมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยทางนั้นน้มเขาเอาไปต้มมันก็ไม่ผูกเวรผูกใครใครเขาไปขี่ใส่มันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยใครผูกเวรผูกภัยใครผูกเวรผูกภัของใครเขาจะไปทำยังไงมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยครับไกร ไฟเขาไปเอาเผาศพเหม็นๆมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยคับใครเขาอาไปดับน้ํามันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยคับใครเขาเอาไปเผาเอาไปให้ไม่ฟืนมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยคับใครเอาไปหุงไปต้มมันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยครับใครเขาไปเยี่ยวใส่มันก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับใครน้ำที่ Roma> เขาเาไปร่างอุจจระมันก็ไม่ผูกเวีนผูกพายเข้าไปเขาาไปดื่มมันก็ไม่ผูกเวีนผูกพายเข้าไปและเขามันก็มาให้คะแนนใครอีกด้วยนั่นและก็มันก็ไม่วางเฉยอีกด้วยนัน่นอันอื่นก็เหมือนกั น, กนถ้าเธอทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอทั้งหลายจะมาเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเอกนั่นพระบรมสารีราชก็บปวดไหมหล่ะคำว่าเกิดในที่นี้ ก็ไมาแต่เกิดพมโลกบ้าเทวโลกบ้าสวรรค์บ้ามนุษย์บ้ารัตติเดฉานบ้าหรือสิ่งที่มีวิญญาณควาองเสียงเรียกว่าเกิดชาติพิทุขาคขเยาสนถูกมัดทางไตโรโกฐาตตุ้มเลยเพายราะไตรโกธาตุจะไปด้วยชาติ สัตว์เสือสัตว์ารสัตว์ไลในน้ำดำในดินบิวนในอากาศตลอดถึงมนุษย์สี่เท่าสองเท่าสารพัดมีชาติทั้งนั้นชาติมีทุกขายถูกวัดเลยถูกตโลกธานเลยถูกทั้งเทวโลกกมโลกเลยเหตุฉะนั้นธรรมจักรประวัตนแสูตรจึงว่าคนตาบอดอาจแลเห็นคนหัวหวกอาจได้ยิน หน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดคนหลังค้อมก็หลังตรงคนตาบอดก็เลยเห็นคนหูหนวกก็ได้ยินก็เห็นได้เพราะคนตาบอดหูหนวกมันก็มีเกิดมีแก่มีเก็บ ม, ม, มีตายเหมือนกันมันก็ต้องถูกหมดสินั่นเ ท, เทวดาเวลาอินผมก็มีเกิด ส่วนพระรหารไม่มีเกิดใช่แล้วเมื่อไม่มีเกิดตายก็ไม่มีประตูจะมาอีกถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิก็ศูนย์แต่ไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, ม, ม, มาตายรสชาติของธรรมะที่เป็นพระรหาร น, นั่นมีอยู่รสชาติของพระนิพพานนั่นมีอยู่ใครเป็นผู้ไปเสวยก็พระนิพพานไปเสวยพระนิพพาน ใครเปสวยตาบอดก็คนตาบอดเสวยตาบอดคนตาดีเขาไม่เสวยจิตไปเสวยพระนิพพานหรือพระนิพพานไปเสวยจิตจิตก็ต้องเสวยจิตสิพระนิพพานก็ต้องเสวยพระนิพพานไปแย่งหน้าที่กันทําไมทุกก็ต้องเสวยทุกสิสุขก็ต้องเสวยสุขไปแย่งทุกทําไมไปแย่งสุขทําไมมันทําการคนละหน้าที่แล้วเนี่ย โรคจะไปแย่พระนิพพานไม่ได้นอกจากจะเบื่อหน่ายแล้วลาหนีแล้วนะพระนิพพานก็อยากได้โรค ก, ก็อยากได้ไนงะก็ยังไปพระนิพพานไม่ได้เพราะโรคมันติดอยูนะ่ใครก็เหมือนกันพระนิพพานก็แปลว่าดับเพลินนวัตฏสงสารนะถ้าไม่ดับเพลินในวัตฏสงสารประตูพระนิพพานก็ไม่เปิดนะเพลินในวัตฏสงสากรกระเพิลในแก่ในเก็บในตาย รับเพลินในโรบในปวดในหลวงก็มีความหมายอันเดียวกันรับเพลินในกินในขี้ก็มีความหมายอันเดียวกันรับเพลินในยืนเดินนั่งนอนก็มีความหมายอันเดียวกันแล้วท่านบอกว่าสุพุทธิ์กินหมากปัญญาเสพติดหลวงปุ่ศีก็ตอบว่าถ้าอยากนั่นข้าวก็อยากกินไม่เป็นญาเสพติดท่านว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นยาเสพติดท่านนะใส่เลื่อน ไสเลื่อนนะมปกไสเลื่อนไม่ใช่พายลมหรอกปกเมื่อกี้ไสเลื่อนแต่ก็ไม่ได้ปวดดอกนะพระห้พระหามนังมานอนใหแต่พักที่ยนั่งเที่นอนภาวนาให้ดีภาวนาให้ดีภาวนาให้ดีภาวนาไปให้ดี <c oughs> ไปให้พน้น ไปให้พ้นแล้วให้เขาเอาไปขายเมืองญี่ปุ่นเดี๋ยวรับแขกไม่ไหวไปให้พ้นร <ś led> ับแขกไม่ไหวเนอะไม่แชรได้อยากจะถือศาสด า, าอื่นเนอ ไม่เสืเ่อมายจะเปราะหยากจากะผู้พฤสพรมอาจารย์เพื่อวัตถุนิยมเนอพระโสดาวันไม่ประพฤติรมอาจารย์เพื่อวัตถุนิยมผู้พิสพรมอาจารย์เพื่ออุดมคติคือขัณิพาเป็นคิวอันชุดใต้คิวของพระโสดาวันก็คือคัณฑิพาคิวของโลกี องอยังถึงมนุษย์สมบัติสวนสมบัติรงสมบัติจึิงเพปานสมบัติไปแล้วส่วนคิวของพระสวสดาวันยังถึงเนปานสมบัติทีเดียวเลยภูมิของพระสวสดาวันแต่ก่อนท่านยังไม่เป็นพระสวสดาวันเมื่อยังไม่ถึงพระสวสดาวันจําเป็นก็ต้องอยังถึง มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนปานสมบัติเป็นราดับไปเมื่อถึงพรสรดามันเราก็ยังเนปานสมบัติสิ่งเดียวเลยเพราะเหตุใดเออเราไปกรุงเทพแล้วเนี่ยขอให้ข้าพระเจ้าทาน โคราดโอให้ข้าพเจ้าได้ผ่านอายุทยาหรือข้ามภูเขาไปสระบรุรีแล้วไปอายุทยาแล้วจึงเข้ากรุงเทพเถิดไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเมื่อปัดเมื่อต้องการไปกรุงเทพแล้วมันผ่านเองเหมันหนทางมันไปนั้น ต้องปรารถนาเห็นเราต้องการเกาหัวอย่างนี้เหลอนี่ยเขาให้ผ่านร่างกายนี้มาเถิดเราม่ได้ปรารถนาถูกไหมก็พื่งพรมากันเพื่อพ้นทุกข์นะว่าตาท้องสารปัญหาไม่มากปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นะว่าตาท้องสารเกรงแกไม่ได้กินเท่าท่านเกรงแกไม่ได้นอนเท่าท่าน ได้รับทอดท่านเกรงจะไม่มีผู้นับถือทอท่านเกรงว่าจะไม่มีราภมิยศเกรงว่าพระธรรมจะพาตายเพราะเหตุใดเพราะความเชื่อทำไม่พอง ส, สร้างปัญหาใส่ตัวเกรงว่าจะไม่มีผู้นับถือรือดีเหล่านี้เป็นต้นพ่อหนาฝืด แบบนี้ถ้าไม่เกตจะหน้าแบบนี้ฝืดมากเหมือนดึงขาเต่าดึงแล้วมันก็ต๊อกคืนเลย <laughs> ทด้จักไว้ดึงขาเต่าใครดึงเล่นไหม <laughs> หรอืออย่างหรือไม่มมอย่างนั้นก็เหมือนดึงสายยางติ๊กมัหโวดคืน พอพืชเพื่อผลทุกราธรรมชาติท้องสาเนี่ยสนแปดย่นลงมาเป็นสินตัวเดียวอยู่ที่ใจซะเพราะไม่เสียดายอยากลงละเมิดสิน 5. ห้าก็ย่นลงมาสิ้นเป็นสินตัวเดียวซะเพราะไม่เสียดายอยากลงละเมิดสินสองร้อยยี่สิบเกดก็ย่นลงมาย่นลงมาเป็นสินตัวเดียวซะเพราะไม่เสียดายอยากลงละเมิด พุทธคำสง์ก็ยอดลงมาเป็นอันเดียวกันซะเพราะไม่เสียดายอยากกระคายความเลื่อมใสความเลื่องใสเอามาไว้ที่ดวงใจนี่คนตายมันเลื่อมใสไม่เป็นใจมันไม่มี น, นัพระเวินญาณมาอยู่ที่นั่น ทุกบรมศาสตราไปบินทบาทวันนั้นไปแต่เช้าเช้าเกินไปแล้วอนวนเอยวันนี้เราไปพักพวกปฏิภาค่วกก่อนเขาสนทนากันอะไรในศาลาของเขาเนี่ึกระทึกขุโคมมากเพราะเราไปพิสเวลาแล้ววันนี้พวกเราอนวนเอย พักสักหน่อยเถิดถ้าได้เวลาเดี๋ยวเขาไม่ทันเรามาพิจเวลาแล้วเวลาเราไปถ้าเขาไม่ต้อนรับเราเราจะไม่กระด้างกระเดืองหรือพระองค์โอ้เขาทนไม่ไหวหรอกเรามองเห็นแล้วตะอนุนเอ๋ยเราไปอะไรเราไม่ได้ไปแบบโ ง, โง่เรามองมองเห็นหมดแล้วไม่แตเป็นประโยชน์เพียงแค่ไหนแค่ไหนเร า, ามองเห็นเห็นแล้วอนุนเอ๋ย มองเห็นกว่านท่านแล้วท่านเป็นเพียงคาดขันธ์เฉยๆมันจะได้ประโยชน์ยังไงหรือไม่ไม่ได้ประโยชน์ยังไงเรามองเห็นแล้วอนวนเอ๋ยเชื่อเราเติบถ้าอย่างนั้นก็ไปพระจัก้าพอไปแล้วเขาเออพระจักมนาโคตรมาแล้วหยุดพูดเออเรามาแวะพวกท่านมันเข้าไปพิดเวลาวันนี้ได้ไดเย็นพวกท่าน สนทนากันน่าสนุกเหลือเกินก็เลยแวะมาพ่าานสนทนากันว่าวิชาพม่าโลกนอนขวกนอนน้ำอาปากกินลมนอนด่างกิเลสเหมือนไอคุบยืน้าเดียวอาปากกินลมอดอาหารคานกินอาหารว่าใช้กะลากินอาหารว่า แล้วนี่เป็นต้นวิชาพมาโลกของพวกคุณมันลำบากแล้วเกินวิชาพมาโลกของพวกคุณก็วิชาของพระสมนาครลมวิชาพมลโลกของสมมาครลมยังไงบ้างไม่ยากเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจางก็เป็นวิชาพมาโลกเท่านั้นจะภาวนาหรือไม่ภาวนามันก็เป็นภาวนาอยู่ในตัวเพราะเลื่อมใสพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจาง มันเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอยู่ในตัวจะ บ, บัญญัติหรือไม่บัญญัติไม่เป็นปัญหาเรื่องใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจางเลยเป็นวิชาพมโมโลกถ้าหนักเข้าไปก็ถึงพระโสดาวัน พวกภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่ไม่มีการวันกนคืนชั้นที่แรกเป็นวิชาพมาโมโรท่านหนักเข้าไปดิ่งไปกว่านั้นเอง ก, ก็ถึงพระสวัสดิวันเล้วอย่างต่ําหนักพุโทโธจะไปเรียนจบกันถึงชั้นพระละหันไปเรียนจบพระไตรปิฎ ก, กตามถ้ามัยังไม่ถึงชั้นพระละหันก็เรียนพุโทโธยังไม่จบนั่น ใครจะเก่งทางน้าโมสักเพียงไหนก็ตามถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ก็เรียนน้าโมยังไม่จบน้าโมแปลว่าดอบน้อมนอน้อมจนไม่มีกิเลสผหานนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่แกบตายนอน้อมจนไม่มาโลบมาโกรธมาหลงพุทโธคําเดียวก็ครอบแปดหมื่นทีพระธรรมะขันธ์เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่าน ทำโมวความเดียวก็ครบแปดหมื่นพระธรรมขันธ์ทำที่เป็นโลกีทำที่เป็นโลกุตระทำที่เป็นพระ涅槃ธรรมทำ ท, ที่ทําให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติขมาธรรมแบ่งออกเป็นสองที่เป็นโลกีม่เป็นโลกุตระเป็นโลกุตระก็นับแต่พระสวัสดิวันไปวินัยก็เหมือนกันศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกัน ตาำก้อนนนลงมาก็เป okay. like ็นโลเกไม่เสียดายอยากพวงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยากพวงละเมิดอวัยวมุกไม่เสียดายอยากพวงละเมิดชิ้นห้าเี่ยมันครอบอยู่แล้วนะปการปฏิบัติไม่ต้องเล่าอาชินนาก็ไม่ต้องว่าตาเมย์เไม่ต้องว่ามุสาก็ไม่ต้องว่าสุนาก็ไม่ต้องว่าคําว่าชิ้น้าเนี่ยเข้าใจหมดเลยไม่เสียดายอยากพวงละเมอดชิ้นหน้า คือร่วละเมิดสิ่งเหล่านี้แหละส่วนทิศห้าบริบูรณ์มันเป็นศีลของพระโถดาบันถ้าไม่ด่างไม่พรอยศีลแปดบริบูรณ์มันเป็นศีลของพระอนาคามีถ้าไม่ด่างไม่พร้อยถ้าเป็นนิจศีลถ้าเป็นศีลไปรักษาเป็นบางข้างบางข่าวก็ยังเป็นพระอนาคามีไม่ได้ทิศห้าก็เหมือนกัน ถารักษาเป็นบางข้างบางขาเขายังเป็นพระสวัสดวันไม่ได้หมายความเป็นนิจศีลเป็นเวิรัตศีลด้วยจะเอากับพระหรือไม่เอาก็ไม่สงสัยเพราะข้าพเจ้าเว้นหมดแลว้วเพราะข้าพเจ้าไม่เสียดายอย่างร่วนละเมิดจะไปเอากใครอีกการที่เอาข้มู่ ก, ก็เพื่อนก็เอาเพื่อรักษาสังคมเฉยข้าพเจ้าไม่สงสัยว่าศีลข้าพเจ้าไปไหนนั่งศีลแปดก็มาหางกัน สินแปดเข้าไป็เชือกแปดเกลียวรวมลวงในปัจจุบันถ้าเราไม่เสียดายรวมละเมิดสี้มันจะไปะตกที่ไหนที่มันด่ามันพ่อก็เพราะเราเสียดายอยากรวมละเมิดมันนั่นไม่เสียดายอยากถือสตร์ละอื่นไม่เสียดายอยากถือเวทมนตร์กลและคาถาไม่เสียดายอยากจะมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอีกนั่นและผูะ้เขาประท้วงบาล ส่วนภูมิภาคสักกาคามีนาคามีพระหลานละเอียดมากว่านั้นต่ำก่อนั้นลงมาเป็นโลกีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้าบางทีก็ไปเป็นปีตอสุรกายบ้าพระลายบางทีส่วนพระสนวารั น, นมีบางทีเดียวลุกหน้าไปหาพระสักการะมีนาคามีพระหลานเป็นลําดับไม่ถ้อยหลังไม่เลี้ยวซ้ายแด่ขวา ไม่ไปทางขวาไม่ไปทางซ้ายไม่ถอยหลังเดินรุดหน้าเลยเพราะทางเตียนใครอยากเอาก็เอาซะเอาวันนี้ก็ได้วันนี้เพราะมันเอามายากเอาอยู่ที่ใจไม่ได้ขอขับใครเลยขอศีลมา้าจะไปขอขับใครศีลถ้าทำเป็นศีลก็เป็นท่า น, น ขอบาปบ้างกะไปขอขับใครถ้าเราทำเป็นบาปมันก็ต้องเป็นถ้าเราไม่ทำเป็นบาปไปขอขับเขามันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญไปขอขับเขามันก็ไม่ได้ผู้ขอของเราก็บุญอยู่ที่กับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขอใครเราไปขอบุญกับพระไปให้ทานรักษาธินพอแล้วกอใจของเราเป็นบุญก่อนนั่น ก็เทากับว่าเราไปขอพระแต่ว่ายกเป็นบุคลาธิฐานเฉยๆนั่นก็เอาเป็นทุงแต่วาใจของเราเป็นบุญอยู่แล้วนะเราก็เลยไปทําบุญนี่ถ้าใจของเราไม่เป็นบุญเราก็ไปทําบุญไม่ได้นั่น ก, ก็หลวงเราขอเราตามเดิมเราทําให้เราตามเดิมเราทําข้อวัดให้ปีรามนานานี่จะเข้าใจว่าเราทําให้ปีรามนานามันก็ไม่ถูกก็กุศลของ คุณบุญของเราที่ตอบแทนท่านเราก็ได้บุญนั่นคนเรียกว่าทําให้เราแค่ลูกศิษย์ทำข่าววัดให้ครูบาอาจารย์จะถือว่าทำข่าววัดให้ครูบาอาจารย์โดยตรงๆมันก็ไม่ถูกก็ศีลของลูกศิษย์นั่นสิลูกศิษย์จะบริบูรณ์ในศีลในศีลวัดอาจารย์ในวัดของลูกศิษย์ก็เรียกว่าลูกศิษย์ทําให้ลูกศิษย์ใช่ไหมนั่นเขา่าววันเราไปทําการทํางานบ้านเขา เราตั้งใจทําให้ดีไม่เห็นแก่จะทําเอาเวลาคอยจะกลับบ้านทีนี้เขาก็สังเกตคนมาทํางานคนไหนทํำขนาดไหนคนไหนคนท่านไหนทํำขนาดไหนมันก็อยู่ซสาตาของเขาผู้เขาเจ้างานเขาหลังเขาวานมาเขารู้จักเลยแคบเดียวเขารู้จักเมื่อเขาเห็นว่าเราไปทําให้เขาดีเวลาเราวานเขาเขาก็มาทําให้เราดีเหมือนกันมันมาทําให้เราดี เราก็ต้องทำให้มันดีนะตัวเรียกว่าทําให้เราอยู่ตามเดิมะคุณหนูคุณหนูหนสวัสดีหรือไปไหนไปอนั่นต์เหรอครับตัวเรียกว่าทําให้เราใช่ไหมอ่ะพราะเขาตอบเราดีคุณหนูพี่บ้ามึงมาจากที่ไหนหาควอนมาดอกพี่บ้ามาจากไหนนั่นก็เรียกว่าทําให้เราเหมือนกัน <c oughs> ถูกไว้ เราเป็นจากฆ่าสัตว์ทีน eh like ี่แล้วมันฆ่าเขาเขาก็ไม่ได้ตายด้วยเราเราก็ไม่ได้มีเวีกับเขานี่ก็เรียกว่าทําให้เรานักถูกไ้มเราไม่รักของเขานี่เราก็ไม่ได้เวีกับเขาเราก็เรียกว่าทําให้เรานั่นก็ทําให้เขาด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสิ่งนั้นที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสิ่งนั้นเป็นคําสอนพุทธเจ้าเราไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ก็ไม่ได้ตายด้วยเราเราก็ไม่ได้เป็นเวีนกับสัตว์มันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายน่ะ เราก็ทำให้เราไปหัไปรู้และวโลกเต็มไปด้วกองทุกข์เห็นอนิจจังขณะเช่นหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งพโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์เห็นอนัตตาขณะเช่นหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งพอโลกเปิเต็มไปด้วยกองทุกข์ อนิจจังทุกครั้งอนัตตามันมมันอยู่คนละเป้ามันอยู่เป้าเดียวกันกับกองน้ำรูปที่ห้องเพ่งอยู่ในปัจจุบันร่มเขาข้างนังเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาพ่อมันกันว่ามีอันใดก่อนอันใดหลังเห็นความเกิดขึ้นแปรป่วนและแตกสลายหาเราอ้างว่าไม่ได้พ่อมกันทําฟ้าเกิดไยดับก็เกิดกระดับจะไม่มีัารเว้นการขึ้น ทำไฟมาเกิดมารับก็บ่าเกิดมารับเจ้าพระแม่ก็บแม่งกันขึ้นถ้ำสองไฟนี่บ่อยในสังสรรค์กันจริงไฟจริงมั่นมาลงธรรมะสีรู่ตามเป็นจริงหรือบ่รุ่ตามเป็นจริงมันก็ขึ้นดูกับผููปฏิบัตมั่งกระขืนอยู่กับถ้ำสองกับพวกนี้ไหวจังการผู้คาร์ดพ่นหรือว่าพ่นมันก็ขึ้นดู กับทัวมาหลงท้ำสุมนี้ถาำท้มนี้มันอยู่ใาสา่ำส้มไฟเกิดฟไฟรับมันก็อยู่นังหุ่มอยู่ใยรอบนี่เดชอัชฉริยะถ้ำถ้ำภายในพระยิทธาท้ำท้ำภายใ น, ยน ก, ก็คือนอกจากตัวส ม, มุดเล่าเล่าไปออกไปขันร่วประสงสัยว่าโลก รักเป็นอื่นนอกจากความเกิดขึ้นเนี่ยแปลปวนได้รับไปแล้วบัรจุจากความเกิดขึ้นแปลปวนได้ับไปนั่นละโลกอันนี้พายในใหน้าพายนอกมันเห็นพร้อมกับลมใหายใจเขาออกมันจังสิซัดมันเห็นนําหนังสือซื้อหนังสือพายนอกว่ามันหนังสือไรเนี่ยมันติดบ่สิความสงสัยมันพี่ยาน่ายนี่ยมันไรก็ะไรทอนั่นนีมิตทั้งหลายมาในภาวน่าเกิดขึ้นจากกับแปลปวนได้แตกสลายไปแล้ว ยึดเขา่าพวังมนะันไม่สองแนวแบบนึงพับเข่าไปแล้วม้เยืน่นเสียงแบบนั้นรู้จักว่าแต่มันอยู่ซื้อเวลามันถอนออกมามันก็ถอนพับกนการแบบนั้นแบบนึงแบบนึงพับเข้าไปแล้วหัเหินเดินอากาศไปน้ำในเม็ดภานอกอยื่นหอดกระโดกคุณ ปีเตี้ยมันขึ้นไปละประกฏไปละอ๋อเหอะเดนากาศเดินอยู่กรมได้อากาศก็ไม่ปีนต้องการได้อากาศก็บไม่ปีนปอดมีครบปุ๊บมัดกับร่างก็ถอนออกมานั่นสมาธิแบบนึงจักสษ์ทญ่บญญรรดาอุปจาระหรือทั้งบัดยัดษ์จะได้ก็บมองยักษ์สนะสมาธิแบบนึงเห็นกรมกืนกับไมกันกับวิปัฒนาเลย วุ่นแนายกรได้หลังพระพุทธศาสนาสอนไม่ทราบเมื่อหาเมื่อนายความหลงกับของที่เคยหลงมากความร้องกับของมันหลงอย่างใหญ่ใอยู่สีย่ยางหลงของว่าเทียงว่าเมนของเทียงหลงของเป็นทุกว่าเป็นสุก หลงหลงของบ่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงของมือสวยบ่ง้ามว่าเป็นของสวยบ่ของงน้าคือหนังหุ่มยู่โดยรอบหลงของมอเทียงว่าเป็นของเทียงคือหนังหุ่มยู่โดยรอบหลงของเป็นทุกว่าเป็นของสุกคือหนังหุ่มยู่โดยรอบหลงของมอเป็นตนเป็นตัวว่าเป็นตัวเป็นตัวคือหนังยู่หุ่มหุมยู่โดยรอบ สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาพระจระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูกประภมสิบหกชั้นและอรุปรภมสี่ชั้นโลกทั้งหลายนี่รวมลงมาในเป็นสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง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 สิ่งนั่นก็บัญญัติทําได้สิ่งไหนที่บัญญัติรูปสิ่งนั่นก็บัญญัติรูปประโลกได้สิ่งไหนที่เป็นรูปสิ่งนั่นก็เป็นรูปประธรรมสิ่งนั่นก็เป็นรูปประโลกสิ่งนั่นก็เป็นรูปสังขารสิ่งนั่นก็เป็นรูปประธาต์เกิดขึ้นได้แปลปวงนั่นแจกสร้ายทางนั่น in, โลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปนมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง พี่นายเห็นในปัจจุบันรวมโลกลงมาในปัจจุบันพ่อกำลกังพายใจเข้าออกไม่ต้องสงสัยสงสายแปดหมื 8, 000, ่สีพระธรรมขันธ์รวมลงมาในปัจจุบันนักจิตเลยปัจจุบันนธรรมเลยสังขโหลงมาฉันท์พะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน วิทยาเพื่นมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจิตตะเอาใจฟักฝ่ในกรรมฐานในปัจจุบันเวิยงมังสามอันติตองเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันคนสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องซึ่งประสงค์ซึ่งเหมือเไว้ใส่ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิทยะเพื่อนมันประกอบใน กรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในกรรมฐานในปัจจุบันปัญญารอบโลกในกรรมฐานในปัจจุบันตกลงอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่อยู่คนละมุมโลกเห็นโลกในปัจจุบันชัดโลกอดีตโลกอนาคตก็ไม่ต้องสองสัยเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกัน จะพูดมากก็มากออกมาจากกลจะพูดน้อยก็น้อยลงมาหาใจเพราะคิตต่าทางขันเป็นผู้พูดฝ้าใสาเนาะบาปนี่เนาะก็ได้ย่นว่าเป็นธาตุดินนาบไฟร่มซะช้อนจิตใจย่นข้าเจ้าก็ได้ของพายข้าขว่าน่ะกะย็ย่นลงไดเท่อกันคันว่ามาห้าบาปก็ไปบุญ โหสันปะย้อนลงมาอะไรกันชิดใจเลยพร อ, อยากได้พระสวดัดิบาลวีเอาวะสีเอาให้เอาะนะเอาให้เนี่ยเอาบะเอาะนึ่งยาเสียดายเรียนเลขเรียนผายาเสียดายเรียนอบายยมุมันเป็นทั้งจกงวะเสียดาย พอเห็นวามันเป็นทางชิบหายดิงร่องนาเดียวเราถอนมาออกข้อมเห็นดิงถอนมาออกเห็นไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเห็นไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกพระพาราเามนสันทิที่โก้ขั้นเสียดายล่วงละเมิดชิ้นหาเสียดายอยากเรียนอาปปายมุกโย เสียดายอยากถือศาสดาอื่นอยู่เสียดายอยากถือเวทมนตร์กลั่คาถาอยู่เสียดายอยากถือเลือดีงามดีอยู่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นราเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพือเป็นอาหารค่าขายน้เมาคฆ่าขายยาพิษนี่กันเสียดายเฮ็ดอันนี้ด้วยข้ามาเอาบายะบมกินข้อวกลวงเถอะเน้ บัไอ้มียเจนเรียนเลขเรีนพานี่ไอ้ที่เฮปฏิบัติทั้งเล่มนั่นน่ะเมื่ออาวะยมุกมื่อนั่นน่ะผู้มาสวดาวะนั่นยัตุกะกรรมชีวิตคือกรรเครื่องสมองสี่อย่างตลอดทังเกียขานทั้งคนงานไม่สนุกอันนั่นน่ะผูมาสวดอาวะนั่นผู้ใดปฏิบัติได้ผู้มาสวดาวะนั่นหันย่งเสียดายจากเรีนเลด้วยนั่นสีผ้าวันน้าเบิดขึ้นห้อยมือเศร้ากร้างยังมาท่านถึงสวดพระสดอาวน เสื้อไยักขอดเว้นคนกับว่ามสมตวันผสมตวันเครียดเฉ่าะขอดเว้นผูน้ใ ด, ด, ด, ดเดเด้ทำผิดกับเขามาถรศกรกับแม่แล้วงกันไปซะเลอว่าัข้าพเจ้ามีโกดูข้าพเจ้าหังเบอผูกเว้นผูกไผ่ดอกมันตอกเออเน่ เ, เ, เื้อด้ยักลวงระมิอดมีเขาโยกับม่เล้ผสมตวันเลย เสดายอยากรองละเมิดผัวเขาอยู่กับบนพระสวดสดิ์นี่หรือลูกชายลูกสาวผู้เป็นของเงนกับวัตถุมันพระสวดสดิ์เพราะมันเสียดายอยากรองละเมิดศีลหาอยู่ด้วยเสดายยักถือศาสดาอื่นกับบแมเนในไตโรกธาตุเนี่ยมันต้องมาเข้ารบพระพุทธศาสนาจักรเลยกังคอยสิถึงพระสวดิ์นั่นเออเส้น ภาษาเนบูทก็พระโมกค้าราชกมาเหลือมไสพระพุทธศาสนาสกนือเลือมใสภาษาพระอัตชิเนยจึงสามารถทําเรลพระสวัสดิบัณฑ์เลอเหตนั้นท่านพระพุทธเจ้าจึงยืนยันวะาสุปฏิปันโนเป็นความมั่น์ว่งต้นของพระพุทธศาสนาตามก่อนนั้นลงมาอย่าเอ่อยเลยเ รับสุทุพจ้าปโนโลงโอในศาสนาพุทธอย่างเดียวผู้เสื้อกรมและผลของกรมโอจะตุโรองคาสันในบาทบอก น, นียนั่งใช่ะอ่ะปฏิสันฐานคารวาตาอ่อผู้ใดเคารพปฏิสันฐานเอะจะไปบ่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฮ้ยหัววัดเป็นยักคนไหเจ้าเนา่ยฮไปเอาไม่ใช่สายไห้จะหาบอกไปซ้ำหนี่ไปเส้็ไปเอานี่ยแม่ตะเกียกคนไหนอ ว่าเช่าได้ก็ถือศาสตราอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาไปคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลูกคุณครวบาอาการรวบรองหน้ามากเคุณพุทธทับสงมาคุดคุณพุทธทับสงเป็นร่วมดึงดูดคืนไปสู่คุณพรนิพานไปรวบก็ง่ายแล้วเป็นภูม เมื่ อ, อยังไม่ถึงวสุธาวันจําเป็นก็ต้องอย่างถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนปานสมบัติเป็นระดับไปเมื่อถึงวสุธาวันแล้วก็ย่างเนปานสมบัติสิ่งเดียวเลยเพราะเหตุใดเราไปกรุงเทพแล้วเนี่ย ขอให้ข้าพเจ้าผ่านโคราชขอให้ข้าพเจ้าได้ผ่านอายุทยาหรือข้ามภูเขาไปสระบุรีแล้วไปอายุทยาแล้วจึงเข้ากรุงเทพเถอดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเมื่อปัด เมื่อต้องการไปกรุงเทพเรามันผ่านเองเหมือนหนทางมันไปนั้นไม่ต้องปรารถนาเห็นเราต้องการเกาหัวอย่างนี้หรือไม่ขอให้ผ่านร่างกายนี้มาเถิดเราไม่ได้ปรารถนาถูกไหมประพฤติพร้อกันเพื่อพ้นทุกขนว่าท้าท่องสารปัญหาแย่มากปฏิบัติเพื่อพ้ทุกขนะว่าท้องสารเกรงจะไม่ได้กินเท่าท่าน เกรงจะไม่ได้นอนเท่าท่านได้รับเท่าท่านเกรงจะไม่มีผู้นับถือเท่าท่านเกรงว่าจะไม่มีราบมิยศเกรงว่าพระธรรมจะพาตายเพราะเหตุใดเพราะความเชื่อทมไม่พอสร้างปัญหาใส่ตัวเกรงว่าจะไม่มีผู้นับถือรือดีเหล่านี้เป็นต้น เพราะน้าฝืดแบบนี้ถ้าไม่เกิดก็น้าแบบนี้ฝืดมากเหมือนดึงขาเต่าดึงแล้วมันก็ต๊อกคืนเลยรู้จักไหมดึงขาเต่าเคยดึงเล่นไหมหรืออ่างหรือไม่อย่างก็เหมือนดึงสายยางติ๊กมันหดคืน พระพืชเพื่อคนทุกข์ในวัฏงส า, าสินแปดก็ย่นลงมาเป็นสินตัวเดียวอยู่ที่ใจซะเพราะไม่เสียดายอยากลงละเมิดสินห้าก็ย่นลงมาสินเป็นสินตัวเดียวซะเพราะไม่เสียดายอยากลงละเมิดศินสองรอยยี่สิบเกดก็ย่นลงมาย่นลงมาเป็นสินตัวเดียวซะกพระไม่เสียดายอยากลงละเมิด พดคธธรรมสงก็ยอดลงมาเป็นอันเดียวกันซะเพราะไม่เสียดายอยากแกลายความเลื่อมใสความเลื่อมใสเอามาไว้ที่ดวงไใจนี่คนตายมันเลื่อมใสไม่เป็นใจมันไม่มีพระวิญญามาอยู่ที่นั่นทุกขวรัตศาสตาไปบินทบาทวันนั้นไปแต่เช้าเช้าเกินไปแล้ว อ, อนุนเอ๋ววันนี้เราแวะพักพวกปฏิภาช่ว ก, ก่อน เขาสนทนากันอะไรในศาลาของเขาเนี่ยรกระ ท, ทึกขึ้นคมมากเพราะเราไปพิชเวลาแล้ววันนี้พวกเราอนุนเอ๋ยพักสักหน่อยถือถ้าได้เวลาเดี๋ยวเขาไม่ทันเรามาพิชเวลาแล้วเวลาเราไปถ้าเขาไม่ต้อนรับเราเราจะไม่กระด้างกระเดืองหรือพระองค์โอ้เขาทนไม่ไหวหรอกเรามองเห็นแล้วตะอ น, นเอ๋ย เราไปอะไรเราไม่ได้ไปแบบวงโง่เรามองมองเห็นหมดแล้วไม่แต่เป็นประโยชน์เพียงแค่ไหนแค่ไหนเรามองเห็นเห็นแล้วอนเอุเฉยมองเห็นกว่านั่นแล้วท่านเป็นเพียงคาดแค่นเฉยมันจะได้ประโยชน์ยังไงหรือไม่ไม่ได้ประโยชน์ยังไงเรามองเห็นแล้วอนเอุเฉยเชื่อเราเถิดถ้าอย่างนั้นก็ไปพระจักรพรรดพอไปแล้วเขาเออพระเจ้านัโกดมมาแล้ว หยุดพูดได้เออเรามาแวะพวกท่านมาเข้าไปพิดเวลาวันนี้ได้ได้ยินพวกท่านสนทนากันน่าสนุกเหลือเกินก็เลยแวะมากท่านสนทนากันว่าวิชาพมาโลกนอนขวากนอนน้ำมาฝากกินลมนอนด่างกิเล็เหมือนไอคุบ ยืนค้าเดียวอาปากกินลมอดอาหารการกินอาหารว่าใช่กะลากินอาหารว่าแล้วนี่เป็นต้นวิชาพมลโลกของพวกคุณมันลำบากและเกินวิชาพมลโลกของพวกคุณก็วิชาของพระสมัยโครมวิชาพมะโลกของสมัยโครมยังไงบ้างไม่ยาก เรื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจางก็เป็นวิชาพมาโลกเท่านั้นจะภาวนาหรืองไหมภาวนามันก็เป็นภาวนาอยู่ในตัวเพราะเรื่องใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจางมันเป็นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอยู่ในตัวจะบัญญัติเรือ่องไหมบัญญัติไม่เป็นปัญหาเรื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่จืดจางเลยเป็นวิชาพมโมโรถ่าหนักเข้าไปก็ถึงพระโวสดาวันผู้ภาวนาะพุโทโธพุโทโธอยู่ไม่มีการวันกลางคืนชั้นที่แรกเป็นวิชาพมโมโรท่านหนักเข้าไปดึงไปกว่านั้นเอง ก, ก็ถึงพระสวสดาวันเล้อย่างต่ำหนักพุโทโธจะไปเรียนจบกันถึงชั้นพระรหัน ใครก็เรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามถ้าม่ยังไม่ถึงท่านพระหันก็เรียนพุทโธยังไม่จบนั่นใครจะเก่งทางนโมสักเพียงไหนก็ตามถ้ายังไม่ถึงพระลหันก็เรียนนโมยังไม่จบนโมแปลว่าน้อมน้อมจนไม่มีกิเลสผลานน้อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่แก่ตายน้อมน้อมจนไม่มาโลบมาโกรธมาหลง พดโทคําเดียวก็ครบแปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านทำโมความเดียวก็ครบแปดหมื่นพระธรรมขันธ์ทำที่เป็นโลกีทำที่เป็นโลกุตระทำที่เป็นพนระ涅槃ธรรมทำที่ทําให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติธรรม แบ่งออกเป็นสองที่เป็นโลกีไม่เป็นโลกุตระเป็นโลกุตระก็นับแต่พรสวัสดบไปวินัยก็เมือนกันศีลก็เมือนกันสมาธิก็เมืนกันดำก้นกนกนกนำอนนั้นลงมาก็เป็นโลกีไม่เช่ได้อยากปลุกและเมื่อศีลห้าไม่ใช่ได้อยากปลุกและเมื่อสบายยมุกไม่เสีดยด้อยากปลุกและเมื่อศีลห้าเยมันครอบอยู่แล้วนะพระนาติบัตไม่ต้องเล่า อัคคนาก็ไม่ต้องว่าตาเมก็ไม่ต้องว่ามุสาก็ไม่ต้องว่าสุนาก็ไม่ต้องว่าคําว่าเิน้นห้ า, ร า, า, าเรข้าใจหมดเลยเสียไม่เสียไดย้จากเราเมิดเสิ้นหน้าคือเรื่องละเมืิดสิ่อองเหล่นานี้แหละส่วนเสี้นห้าบริบูรณ์มันเป็นศีลของพระโธดาวันถ้าไม่ด่าไม่พร่อยเสี้ยนแปดบริบูรณ์ ม, มันเป็นศีลของพระอนาคามีถ้าไม่ด่าไม่พ่อยถ้าเป็นนิจศีลถ้าเป็นศีลไปรักษาเป็นบางข้างบางข่าวก็ยังเป็นพระอนาคามีไม่ได้ศีลห้าก็เหมือนกันถ้ารักษาเป็นบางคข้างบางข่าวก็ยังเป็นพระเสดดาวันไม่ได้หมายความเป็นนิจศีลเป็นเวรักาศีลด้วยจะเอากับพระหรือไม่เอาก็ไม่สงสัยเพราะข้าพเจ้าเว้นหมดแล้วเพราะข้าพเจ้าไม่เสียดายอย่างรุ่งระเมิดจะไปเอากับใครอีก การที่เอาขมูก็เพื่อนก็เอาเพื่อรักษาทางควมเฉยเฉยข้าพเจ้าไม่สงสัยว่าสีนข้าพเจ้าไปไหนนั่นสินแปะก็มาข้งกันสินแปะเขาป็เชือกแปะเกลียวรวมลวงในปัจจุบันถ้าเราไม่เสียดายรวมละเมิดสินมันจะไปะตกที่ไหนที่มันด่าวันพ่อก็เพราะเราเสียดายจากรวมละเมิดมันนั่นไม่เสียดายอยากถือสัตร์อื่น แม่เชิดายอยากคือเวมลลลาทมนตร์คนลาคาถาไม่เชิดายอยากจะมาเกิดแก่เก็บตายในวัดตาสงสารอีกนั่นแหละภูมิเขพาพระธาตุลาวานาส่วนภูมิภาคศรัทธาคามีนาคามีอานาละเอียดไปกว่านั้นต่ำก่อนั้นลงมาเป็นโลกีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้าง บางทีก็ไปเป็นปีตอสุรกายบ้างพระลายบางทีส่วนพระสนวายันมีบางทีเดียวลุดหน้าไปหาพระสกทาคาเมียนาคาเมียพระหลานเป็นลำดับไม่ถอยหลังไม่เลี้ยวซ้ายแดขวาไม่ไปทางขวาไม่ไปทางซ้ายไม่ถอยหลังเดินลุดหน้าเลยเพราะทางเตียยใครอยากเอาก็เอาซะเอาวันนี้ก็ได้วันนี้ เพราะมันเอามาย่าเอาอยู่ที่ใจไม่ได้ขอขับใครเลยขอศีลมากจะไปขอขับใครศีลถ้าทําเป็นศีลมันก็เป็นท่านันขอบาปบ้างจะไปขอขับใครถ้าเราทําเป็นบาปมันก็ต้องเป็นถ้าเราไม่ทำเป็นบาปไปขอขับเขาต้องเไม่ได้ถ้าเราไม่ทําบุญไปขอขับเขามันก็ไม่ได้ผูกขอของเราก็บุญอยู่ที่กับเราเขาไม่รู้ว่าจะไปขอใคร เราไปขอบุญกับพร ะ, ะไปให้ทานรักษาสิ่นต่ะงๆก็ใจของเราเป็นบุญก่อนนั่นก็นถ้าเกับว่าเราไปขอกับพระแต่ว่ายกเป็นบุคลาธิฐานที่เถื่อนนั้นเพระเอาเป็นทุงแต่าใจของเราเป็นบุญอยู่แล้วนะเราก็เลยไปทําบุญถ้าใจของเราไม่เป็นบุญเราก็ไปทําบุญไม่ได้นั่นก็ลงก็เราขอเราตามเดิมเราทําให้เราตามเดิมเราทําข้อวัดให้พินามนานานี่ จะเข้าใจว่าเราทําให้บีรามาันดามันก็ไม่ถูกก็กุศลของผลบุญของเราที่ตอบแทนท่านเราก็ได้บุญนั่ น, นก็เรียกว่าทำให้เราให้ลูกศิษย์ทําข่าวัดให้ครูบาอาจารย์จะถือว่าทําข่าววัดให้ครูบาอาจารย์โดยตรงๆมันก็ไม่ถูกก็ศีลของลูกศิษย์นั่นสิลูกศิษย์จะบริบูรณ์ในศีลในศีลวัดอาจารย์ธรรวัดของลูกศิษย์ก็เรียกว่าลูกศิษย์ทําให้ลูกศิษย์ใช่ไหมนั่น เขาวานเราไปทำการทำงานบ้านเขาเราตั้งใจทำให้ดีไม่เห็นแกจะทำเอาเวลาคอยจะกลับบ้านทีนี้เขาก็สังเกตนคนมาทำงานคนไหนทำขนาดไหนคนไหนคนท่านไหนทำขนาดไหนมันก็อยู่ซ้ายตาของเขาผู้เขาเจ่า ง, งานเขาหลังเขาวานมาเขารู้จักเลยเพิบงเดียวเขารู้จักเมื่อเขาเห็นว่าเราไปทำให้เขาดีเวลาเราวานเขา เขาก็มาทําให้เราดีเหมือนกันมันมาทําให้เราดีเราก็ทําให้มันดีนะตัวเรียกว่าทําให้เราอยู่ตามเดิมะคุณหนูคุณหนูสวัสดีหรือไปไหนไปอนันต์หรอครับตัวเรียกว่าทําให้เราใช่ไหมเพราะเขาตอบเราดีคุณหนูพี่พระหามึงมาจากที่ไหนหากนมาบอกพี่บ้ามาจากไหนนั่นตัวเรียกว่าทําให้เราเหมือนกัน ถูกไหมแล้วเรเื่องจากค่าสัตว์นี่เราไม่รักค่าเขาเขาก็ไม่ได้ตายด้วยเราเราก็ไม่ได้มีเวีกับเขานี่เขาเรียกว่าทําให้เรานักถูกไหมเราไม่รักของเขานี่เราก็ไม่ได้เวีกับเขาเราก็เรียกว่าทําให้เรานั่นก็ทําให้เขาด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสิ่งนี้ที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสิ่งนั้นเป็นคําสอนพุณเตี้เ่้าเราไม่ค่าสัตว์ สัก็ม่ไตายด้วยเราเราก็ไม่ได้เป็นเวรกับสัตร์มันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายน่เรียกว่าทาให้เราตั้นไปไปรู้แล้วอรโลกแต่เมื่เรากองทุกเห็นอนิจจังคณะเจ็ดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งพราโลกแต่มื้อเรากรงทุก เห็นอนัตตาคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึ่งพอโลกเปิดรมเต็มไปหมยกองทุกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาม่ามันโมน ม, นมันอยู่คนละเป้ามันอยู่เป่าเดียวกันกับกองน้ำรูปที่ห้อเพลงอยู่ในปัจจุบันร่มเขาข้างหนึ่งเห็นอนาาันนี้จังทุกครั้งอนัตตาพออ่อมันกันว่ามีอันใดก่อนอันใด ห, หลังเห็นความเกิดขึ้นแปรป่วนแล้วแตกสลายหาเราอ้างว่าไม่ได้พ่ อ, อมกัน ทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดกระดับจะไม่มีการว้นการขึ้นทำไฟมาเกิดบาดับก็บ่าเกิดมาดับจ ะ, บะบไม่มีการเว้นการขึ้นทำสองไฟนี่บ่ได้สังสรรค์กันจริงไฟกิ่งมั่นมลงธรรมะสีรู้ตามเป็นจริงหรือบ่รู้ตามเป็นจริงมันก็ขึ้นูุกับพูปฏิบัติบ่ได้ขึ้นอยู่กับทำสองับพวกนี้ ว่าทางั้นผู้คาพ่นหรือว่าพ่นมันก็ขื่นยูกับโพมาลงท้ำสุมนี้ถ่ำุมนี้มันยูใสถ้ำส้มไฟเกิดไฟรับมันก็ยูนั่งหุ่มยูโดยรอบนี่เด้ออาจาย์อัจฉริยะ ถ, ถ้ำภายในพระยาทธาถ้ำถ้ำภายนอกก็คือนอกจากตัวสมุดรเลร่าไปออกไป ขันพ่องสงสัยว่าโลกจักษ์เป็นอื่นนอกจากควมเกิดขึ้นแปลผวนได้ับไปแล้วบันจุจะควบเกิดขึ้นแปลปวนได้รับไปนั่นละโลกมันนี้พายหน้าพายนอกเห็นพ่อมกับลมหให้แกเขาออ๋อมาสั่นมันจังสี่ซัดมาสั่นเห็นนําหนังสือซื้อหนังสือพายนอกว่ามันหนังสืออะไเน่ยมันสิบบสิความสงสัยมาสั่นพี่แกหน้าย่มไละกระไรทอนั่น นี่มิตทั้งหลายมาในพาวนาเกิดขึ้ น, นาลากกับแปาะวนนี่แตกสลายไปแล้วจิตเขาพังมันมีสองแนวแบบนึงพับข้อไปเลยเมือ่อน้เสียงแบบนั้นรู้จักว่าแต่มันอยู่ซื้อเวลามันถอนออกม้มานก็ถอนพับกนกาะแบบนั้นแบบนึง แบบนึงพัดเข้าไปแล้วหอเหินเดิอนอากาศไปน้ำในเม็ดผ่านออกย่นหอดกระโดกขุนปีเตี้ยบันขึ่นไปละปรากฏไปละหอวเหิเดิอนอากาศเดินกักรแม่อากาศกับไม่ปีนต้องกาแม่อากาศก็ไม่ปีน้อดไม่ขบปุ๊บมัดกาลังก็ถอนออกมาดันสมาธิแบบหนึง่ง จักที่บญญรรดาอุปจาระบุลิตังบัดจักเจ้าแม่กระ้องจักศาสนาศาสนาที่แบบนึงเห็นกลมเกลื่อนกัวิกันกับวิปัสสนาเลยผูมีอันได้ก่ได้หลังพระพุทธศาสนาสอนวิสาเบือหายเบือนายความหลงจากของที่เคยหลงมาความหลงจากของ มันหลงอย่างไงญ่ๆอยู่สี่ยางหลงของบะเทียงว่าเันของเทียงหลงของเป็นทุกว่าเป็นซุกหลงหลงของบาเมนตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงของมือสวยบะง่ามว่าเป็นของสวยบะของง้ามคือหนังหุ่มยู่โดยรอบหลงของบเทียงว่าเป็นของเทียงคือหนังหุ่มยู่โดยรอบ หลวงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขคือหนังหุ่มยู่โดยรอบหลวงของว่าเป็นตนเป็นตัวว่าเป็นตนเป็นตัวคือหนังยู่หุ่มหุมยู่โดยรอบสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลคที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาภิจระหกขั้นพรหมโลกได้แก่ลูกประภมสิบหกขั้นและอรุปรภมสี่ขั้น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 โรคทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโรกสังขารลาปมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งพิจารณาเห็นในปัจจุบันรวมโรคลงมาในปัจจุบันพ่อกำลกังหายใจเข้าออกไม่ต้องสงสัยสงสยัยแปดมื่นสีพระธรรมขันธ์รวมลงมาในปัจจุบันนจิตเลยปัจจุบันนธรรมเลยสังขโหลงมาฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน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 พอจิตตาสังขารเป็นพวกพูดฝ้าทีใส่เนาะบาปเนี้ยเนะานเนะก็ได้ยน่นว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟรมซะช้อนจิตใจย่นข้าเจ้าวะไรของใครเขาขว่านอะนะ่ะก็ยย่นลงได้คือกันคันว่ามาห้าบาปกลับไปบุญ <c oughs> โหฉันว่ายน่นลงมาได้เท่กันจิตใจเเออ เพาอยากได้พระสวัสดิบาลวท่เอาวะีเ่เอาให้เอาวะนะที่เอาให้เนี่่เอาบะเอาวะหนึ่งยาเสียดายเรียนเลขเรียนผายาเสียดายเรียนอบา ย, ยมุมมันเป็นทางแกงว่าเสียดายเพราเห็นว่ามันเป็นทางชิบหายดิ่งลง่องนาเดียวแล้วถอนมาออกควอมเห็นดิ่งถอนมาออก เห็นแนวทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเห็นแน่ทางผิดมันก็ถอนไม่ออกพระพาร์ทัมเป็นสันทิษที่โก้ขันเสียดายลวงละเมิดสินหาเสียดายอยากเรียนอบายยมุกอยู่เสียดายอยากถือศาสดาอื่นอยู่เสียดายอยากถือเวทมนตร์ลคาถาอยู่เสียดายอยากถือเหลิกดีย่มดีอยู่ เสื้อได้อยากฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพอเป็นอาหารฆ่าขายนำ้ำเมาฆ่าขายยาพิษนี่กันเสียอไดเฮ้ยออนีอยู่ข้ามาอบายนมุกกี่ยงวกวงเถเด้บันได้มื่จ้เเลขเนผาดีอ้อีเปฏิบัติทั้งเล็มนั่นน่ะเมื่ออบายมุกเม่อลนนั่นน่ะผู้มสสดาบันน่นยันตุกะธรรมชีเ่ชคือกรรมเครื่องสมองสียางตลอดทั้งเกี่ยวขา น, าานทั้งหมง่ายไม่โต้หงกอันนั่นน่ะผู้มัสโสดาบันนั่นผู้ใดปฏ เันย่างเชื้อไดจากเรนเล่กู้นั่นสีผ้าวันนั้นเบิดขึ้นห้อยมือเศร้ากะ้างยังมาท่นถึงสุดพระสวัสดิวันเสื้อดายักขอดเวน้นคนกับว่าเป็นระสวัสดวันพรสวัดวันเครียดวยุบว่าขอดเวน้นผู้ใดเนยทำไม่ได้ผิดกับเขามาถรศกรกับแมันแล็กกับไปซะเลยข้าพระเจ้าไม่โกดูข้าพรเจ้าหังบอผูกเว้นผูกไผ่ดอก เออเียเสยดายักลวงระเมิดเมียเขาอยู่กับเมมฟิสโซดาบันเนี่เสียดายจักลวงระเมิดผัวเขาอยู่กับเมมฟิสโซดาบันนี่ยหรือลูกชายลูกสาวผู้เป็นงเห็นกับว่าถือเมมฟัสโซดาบันเพราะมันเสียดายจากลวงระเมิดศินหาอยู่ด้เสดายยัก์ถือศาสตราอื่นกับเแมฟิสเนในไตโรกธาตุเนี่ย มันต่อมาเข้ารบพระพุทธศาสนาสกปรณเลยกังคอยสิถึงพระสวสดาวบันฑน์เออเช่นภาษาเนบุตก็พโมกขล่าก็มาเลืม่มใสพระพุทธศาสนาสกรคือ็เลืม่มใสภาษาฟ้าตระกิเน่ยจึงสามารถทรําำยศพระสวสดาวันฑ์เนี่อเหตนั้นสัมพระพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าสูบิเปันโน เป็นพรมายันร่างต้นของพระพุทธศาสนาตามก่อนนั้นลงมาอย่าเอ่อยเลยพระสุพระเจพันโนโลงโอในาศาสนาพุทธอย่างเดียวผู้เสื้อกรรมและผลของกรรมโอ้อยอดตุล่องคาสันในบาทบอกเล นั่งใช่หรออ๋อปฏิสันฐานสาร ว, วาตาอ๋อผู้ใดเขารลกปฏิสันฐานอืมจีไปปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเฮ้ย <Hey. S 2> มวัดมีตะก้อนอยู่ยังไงฮ เอาพุทธศาสนาใหม่าวบอกไปไปซ้ำหน่อไปเพือนไปเอานี่ไแม่ตะเกกก่อนเนี่ยเอาว่าเสีดายอ่ะพือศาสตร์ดาอื่นนอกจากพุทธศาสนาไปคุณพ่อคุณแม่คุณป่าคุณลูกคุณครูบาอาการรวบรองหน้ามากเนี่ยคนณพุทธธรรมสงฆ์มาคุดคนพุทธธรรมสงเป็นร่วม ดึงดูดคุณไปซู้หุ่นภายในภาส